2. ท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหง์พระพุทธภาษิตอุยยุนชันติสติมันโตนะนิเกเ ต, เตระมันติเตหังสาวะปัญละลังหิตตวาโอกะโมกังชหันติเตความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่เหมือนหง์และเปลือกตมไปอย่างไม่มีอะไร พระคาถานี้มีปัญหาเรื่องศัพท์อยู่เล็กน้อยคือศัพท์อุยยุนชันติคำแรกนั้นเห็นมีแปลอยู่สองอย่างคือแปลว่าย่อมภาคเพียรอย่างหนึ่งและแปลว่าย่อมออกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าพอใจแปลว่าย่อมออกมากกว่าและไขความในบทแห่งคาถาหลังว่าไม่ติดที่อยู่สมเรื่องของพระมหากัสปะผู้ไม่ติดที่อยู่ อันหนึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปศัพ์และธาตุก็เป็นไปได้ในทางว่าย่อมออกคือยุชะทาตุมีอุเป็นบทหน้าแปลว่าออกได้เทียบคำอื่นเช่นอุยยุตังเสนังทัศนายะคัดเฉยะไปเพื่อดูกองทัพที่ยกไปแล้วหรือออกไปแล้วอุยโยฆมุเขปฏิฐาสิดำรงอยู่แล้วในปากทางแห่งการออก คือออกจากโลกออกจากสังสารวัฏเป็นต้นโดยในยะนี้ได้ความว่าท่านผู้มีสติย่อมออกคือจาริกไปเสมอไม่ติดที่อยู่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระแต่โบราณเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆส่วนที่แปลว่าย่อมภาคเพียนนั้นถือเอาความตามข้ออธิบายของพระอัตถกถาจารย์ตอนแก้สับนี้ ไขความไปในธรรมนองว่าเพียรพยายามในฌานและวิปัสสนาเป็นต้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสทรงแปรเป็นตัวอย่างเมื่อพศ .2455 ก็ทรงแปรอุยยุนชันติว่าย่อมออกที่ยกปัญหาเรื่องสับขึ้นมาวิจัยนี้ก็ด้วยเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาเนื้อความ ท่านผู้มีสติย่อมออกคือไม่ติดที่อยู่โทษของการติดที่อยู่มีหลายประการเช่นมีบริขารมากเกินไปต้องพัวพันสนิทสนมกับตระกูลมากทำให้หวงที่อยู่ทำให้มีมาณะจัดว่าเป็นคนเก่าเป็นต้นท่านผู้มีสติจึงละอาลายัยในการอยู่ประจำที่นานเที่ยวจาริกไปตามปรารถนาเหมือนหงไม่ติดเปลือกตมที่แปลว่าเหมือนหงไม่ติดเปือกตมนั้นแปลตามรูปศั์ ปันละลังความจริงน่าจะหมายถึงสระน้ำมากกว่าเพราะหงไม่ใช่ควายที่ชอบเปลือกตมนนกหงเมื่อได้อาหารตามต้องการในสระน้ำแล้วย่อมไปตามปรารถนาของตนไม่ได้ยึดมั่นว่าน้ำของเราดอกบัวของเราเป็นต้นฉันใดท่านผู้มีสติคือพระกีนาศพก็ฉันนั้นอยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ติดข้องพวพุ์อยู่ในสกุลไม่อาลัยในที่อยู่ว่าวิหารของเรา บริเวณของเราอุปถากบริวารของเราเป็นต้นเมื่อปรารถนาไปก็ไปได้ในทิศที่ตนปรารถนาทุกเวลาเรื่องนี้พระาศาสดาตัดแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะทรงปราบเรื่องพระมหากระสปเทระมีเรื่องย่อดังนี้สมัยนั้นพระาศาสดาประทับอยู่ณนะเวรุวันเมืองราชคฤห์รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าอีกครึ่งเดือนจะเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆ ด้วยมีพระพุทธประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะได้เตรียมตัวเช่นเตรียมบาดและจีวรให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงเวลานั้นภิกษุทั้งหลายรู้พระพุทธประสงค์จึงเตรียมตัวมีการระ บ, บมบาดและซักย้อมเย็บจีวรเป็นต้นแม้พระมหากระสปเทระก็ทําด้วยเหมือนกันพวกภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงพูดกันว่าในราชคฤนี้มีคนประมาณ14โกด มนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่เป็นญาติพระเถระก็เป็นอุปถากไม่เป็นอุปถาก็เป็นญาติคนเหล่านั้นเคารพสการะนับถือพระมหากระสปะเหลือเกินท่านจักละอุปการะอย่างนี้ไปไหนได้ก็คงไม่พ้นตรอกมาบมาทะเป็นแน่แท้เมื่อเป็นดังนี้เหตุใดพระมหากระสปะจึงต้องระบมบาทซักย้อมจีวรเหมือนภิกษุทั้งหลายด้วยเล่าคราวหนึ่งพระาศาสดาเสด็จถึงตรอกหนึ่งแล้วตรัสให้ภิกษุทั้งหลายกลับ และตัดว่าเธอทั้งหลายอย่าประมาทดังนั้นตรอกนั้นจึงเรียกกันว่ามาประมาทะตรอกอย่าประมาทเมื่อถึงวันเสดจจาริคพระศาสดาเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งทรงรำพึงว่าภิกษุทั้งหมดติดตามเราไปเวรุวันว่างลงแล้วก็คนในเมืองราชฤทินี้ย่อมต้องการภิกษุเพื่อ ง, งานมงคลอวมงคลอยู่เสมอ เราควรให้ภิกษุบางพวกอยู่ที่เวรุวันบ้างหากกัสสปะและบริวารอยู่คงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายเราจะให้กัสสปะและบริวารอยู่ดังนี้แล้วตัดให้พระมหากัสสปะและบริวารกลับพระมหากัสสปะรับพระพุทธบัญชาแล้วพาบริวารของตนกลับสู่เวรุวันภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงกล่าวกันว่าเห็นไหมเล่าพวกเราพูดอยู่เทียวว่าพระมหากัสสปะจะไปรอดได้อย่างไร คำที่พวกเราพูดเป็นความจริงแล้วบัดนี้พระมหากระสปะกลับแล้วพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวแล้วจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่ากระสปะข้่องในสกุลและปัจจัยสี่จึงกลับแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่กระสปะกลับเพราะต้องการสนองความต้องการของเราในการกอน กัสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างรุนแรงว่าขออย่าได้เป็นผู้คล้องในปัจัจสี่เข้าไปสู่สกุลโดยมีใจมิได้ผูกพันในสกุลอุปมาดังดวงจันทร์ให้แสงแก่นิกรชนแต่มิได้ลงไปผัวพันห่วงแหนสกุลเหล่านั้นเรากล่าวสรรเสริญกัสปะว่ามีปฏิปทาอุปมาดังดวงจันทร์กัสปะได้ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนาม ปทุมมุตตะว่าขออย่างให้เป็นผู้มีใจพัวพันในสกุลพิกษุูทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยดวงจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งอริยวงนั้นมีกสปะเป็นตัวอย่างกสปะบุตรของเราไม่ได้คล้องในปัจใจหรือในสกุลใดๆเลยเปรียบเหมือนพยาหงร่อนในสะแล้วหลีกไปตามปรารถนาไม่ได้มีใจหวงแหนสะนั้นดังนี้แล้วตรัตพระพุทธภาษิตว่า อุยยุนชันติสติมันโตเป็นต้นมีเนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นนั่นแหล 3. เหมือนทางไปของนกในอากาศพระพุทธภาษิตเยสังสันนิโยโนันถิเยปริญญาตะโภชนาสุญโตอนิมิตโตจะวิโมโคเยสะโคจโรอากาเสวะสกุลตารัง คติเตสังทุรันวิายาความว่าท่านผู้ใดไม่มีการสังสมกำหนดรู้โภชนะดีแล้วมีสุญชตะวิโมกและอ น, นิมิตตวิโมกเป็นโคจรคือทางดำเนินคติคือทางไปของท่านผู้นั้นอันบุคคลอื่นตามได้ยากเหมือนทางไปของนกในอากาศฉะนั้นอธิบายความ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 ยาตะปริญญานั้นคือกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนี้คืออาหารนี้คือรูปเป็นการทำความรู้ไว้ในเบื้องต้นก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วณนะบัดนี้เบื้องแรกให้รู้จักสิ่งนั้นโดยแจมแจ้งก่อนตีระณะปริญญานั้นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งนั้นๆเช่นพิจารณาเห็นอาหารโดยเป็นของปฏิกูลทั้งในขณะบริโภค อยู่ในปากในท้องและกากอาหารที่ถ่ายออกมาเป็นอุจระยิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งประหาณปริญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการละเสียคือเมื่อได้เห็นความปฏิกูลต่างๆด้วยตีรณัปริญญาแล้วก็ถอนความกำหนัดพอใจในอาหารและความเพลิดเพลินในอาหารบริโภคเพียงสักแต่ว่าบริโภคให้ชีวิตดำเนินไปได้เหมือนให้น้ามันแก่รถให้น้ามันหยอด เครื่องแก่เครื่องยนต์เพื่อให้มันทํางานได้ต่อไปอาการนี้เรียกว่าปหาณะปริญญากล่าวถึงวิโมกท่านแสดงไว้3อย่างคือสุญญะวิโมกหนึ่งอนิมิตะวิโมกหนึ่งอัปปานิหิตะวิโมกหนึแปลว่าหลุดพ้นโดยความว่างหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมายหลุดพ้นโดยตั้งอยู่ไม่ได้ตามลําดับวิโมกทั้งสนี้เป็นชื่อหรือไวพจน์ของพระนิพพานทั้งสิน้น เป็นแต่ชื่อต่างออกไปเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเรียกชื่อตามตำแหน่งที่ทำต่างออกไปอันหนึ่งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระนามอันเป็นไวยพธหลายประการเช่นพระตถาคตพระผู้มีพระภาคพระพุทธะพระสากยมุนีเป็นต้นพระนิพพานท่านเรียกว่าสุญญตวิโมกเพราะสูญจากราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่าอ น, นิมิตตะวิโมกเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นเครื่องหมาย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 พระเพลัะสีสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระรูปนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งและเห็นว่าการออกสแสวงหาอาหารบินทบาต ท, ทุกวันเป็นความลำบากจึงเที่ยวบินทบาทข้าวตากนำมาเก็บไว้ในที่อยู่ของท่านด้วยตั้งใจว่าเมื่อร่างกายต้องการอาหารก็จะฉันข้าวตากนั้นและท่านก็ได้ทาเช่นนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเข้าฌานสมาบัติ ภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นแล้วติเตียนท่านว่าเป็นผู้สั่งสมอาหารไว้ฉันไม่ควรแก่สมณนะพระาศาสดาทรงบัญญัติศิขาบทห้ามภิกษุสั่งสมอาหารไว้ฉันแต่ไม่ได้ทรงตำหนิพระเพรฐะศรรีสะทรงประกาศว่าพระเพรละศีสะไม่มีโทษเพราะการเก็บอาหารของท่านเป็นด้วยเจตนาแห่งความมักน้อยสันโดษพระาศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสพระพุทธภารรษิตว่า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 การกระทาของคนว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็สุดแล้วแต่เจตนาของเขาวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษมัวย้ำว่าเจตนาดีหรือ o ูตวิวนั่นเองคือตัวความดีพวกนักปรัชญาสายอิตาเลียนอินเดลิซัมมีความเห็นว่า เจตนาทุกอย่างเป็นการกระทําและการกระทำทุกอย่างเป็นเจตนารวมความว่าการกระทําและเจตนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงอยู่บางคนอาจทำผิดด้วยเจตนาดีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแต่คนทั้งหลายก็มักให้อภัยในความผิดเช่นนั้น 4. ่ร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะพระพุทธภาษิต ยัตสาสวาปริกขีนาอาหาเรจะอนิสิตโตสุญโตอนิมิตโตจะ ว, วิโมกโขยัศสโคโจโรอากาเสวะสกุลตานังปทันตัสะทุลันนะวะยังความว่าผู้ใดสิ้นอาสวะแล้วไม่ขล่องในอาหารด้วยตัณหาผู้ใดมีสุญตะ ว, วิโมกและอนิมิตต ว, วิโมกเป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยากเหมือนรอยเท้าของนกในอากาศ อธิบายความอาสวะคือกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้มืดมนมัวเมาท่านกล่าวไว้สี่ประการคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามสองวาสวะอาสวะคือพบสทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชา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 ยากที่จะทำลายถ่ายถอนได้ข้อว่าไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหานั้นพึงทราบอาหารสี่อย่างก่อนหนึ่งกวลิงกราหารสองผัดษาหารสามมโนสัญเจตนาหารสี่วิญญาณอาหารกวลิงกะราหารหมายถึงข้าวและน้ำที่อาศัยบริโภคเลี้ยงกายผัดษาหารหมายถึงผัดสัตต่างๆเช่นผัดสะทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจ มโนสัญเจตนาอาหารหมายถึงความตั้งใจความจงใจความหวังอันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ได้วิญญาณาอาหารความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆอันทําให้มีความรู้สึกชุ่มชื่นที่อธิบายอย่างนี้เพื่อให้ง่ายให้คนทั่วไปพอคิดเข้าใจได้อาหารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายเอา ก็ลิงกราหารแต่ประการเดียวคือไม่ค่องไม่ติดในเรื่องอาหารการกินไม่ให้รสอาหารครอบงำไม่บริโภคด้วยการติดในรสแต่บริโภคด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ไม่ต้องมีทุกเวทนาเพราะความหิวส่วนวิโมกสองได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่สของวรรนี้บุคคลผู้สิ้นอาสวะสี่แล้วไม่ติดในอาหารมีวิโมกชื่อว่าเป็นผู้ มีร่องรอยอันใครๆตามหาได้ยากเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุวรณารามเมืองราชคฤทรงปรารบพระอนุรุทธะเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระเถระเห็นว่าจีวรที่ใช้อยู่เก่าแล้วจึงเที่ยวสแสวงหาผ้าที่ทาจีวรที่กองหยาบเยื่อวงเล็บกองขยะเป็นต้นในชาติที่สนับจากกัตภาพนี้ท่านมีภรรยาคนหนึ่ง บัดนี้หญิงนั้นเป็นเทพธิดาอยู่ในชั้นดาวดึงชื่อชาลิณีนางได้เห็นพระเถระเที่ยวหาผ้าอยู่ก็นำผ้าทิพสามผืนยาวผืนละสิบสามสอกกว้างสี่สอกวงเล็บคล้ายผ้าสาหรีของผู้หญิงอินเดียใช้ทั้งนุ่งและหม่มไปวางไว้ที่กองอยากเยื่อแห่งหนึ่งให้ล่อแต่ชายผ้าคือกลบผ้าไว้ด้วยกองอยากเยื่อนั่นเองให้ส่วนชายผ้า เลาะออกมาพอเห็นได้ทั้งนี้เพราะรู้ว่าหากนําไปถวายโดยตรงท่านจะไม่รับเพราะท่านถือผ้าบางสกุลพระเถระเย็นผ้านั้นจึงถือเอาโดยคิดว่าเป็นผ้าที่คนสละแล้วอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาโดยบังสกุลสัญญาในวันทำจีวรพระเถระทั้งหลายในวัดเวฬุวันมาช่วยทํากันมากมีพระมหากระสปะพระสารีบุตรพระอา น, นุ์เป็นต้น แม้พระศาสดาเองก็เสด็จมาช่วยร้อยได้เข้าในบ่วงเข็มวงเล็บสนเข็มฝ่ายเทพธิดาชาลิณีเห็นดังนั้นจึงไปชักชวนชาวบ้านให้ทำอาหารมาถวายพระชาวบ้านมากันมากอาหารก็มากเหลือเฟือเมื่อพระสันเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวสวยเหลือเททิ้งเป็นกองใหญ่พระทั้งหลายพากันติเตียนพระอนุรุดว่าเลี้ยงพระเพียงเท่านี้ไม่เห็นจาเป็นจะต้อง ให้ญาติโยมนำอาหารมามากมายอย่างนั้นคงจะต้องการอวดว่ามีญาติโยมมากกระมังพระศาสดาทรงทราบแล้วจึงตัดบอกภิกษุทั้งหลายว่าอาหารที่มากมายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการบอกของพระอนุรุธทธะแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเทวดาพระขีนาสพเช่นอนุรุตย่อมไม่ทำเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวกระถาพาดพิงถึงอาหารดังนี้แล้วตัดพระพุทธภาษิตว่า ยศสาสวาปริขีนาเป็นอาธิมีในยะดังพรานามาแล้วแต่ต้นนั่นแหละยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันละเคตภาตี ทำมันละนิดจิตแจ่มใสก็ไม่นิดแตนอกเป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยทำใจให้ชอบรำฟังทำแล้วเป็นสุขถ้าฟังธทำแล้วเป็นทุกข์ไม่ได้อานิสงส์แห่งธรรมน เหมือนดังนิทานที่ว่าปุทธานิบนพระแสดงธรรมทั้งคืนแต่ฟังไม่ได้ตลอดคืนเน um ี่ยกิเลสมารุมเราทนไม่ได้นีมวดเนี่ยด <t> ังธรรมนี่ก็ต้องสร้างศรัทธาหรือศรัทธาสร้างความพอใจเนี่ยถ้ามีความพอใจมีศรัทธาต่อธรรมะได้ยินเสียงธรรมก็เป็นสุขเนี่ย ทำไมถึงเป็นสุขพเป็นมงคลเนี่ยดีกว่าได้ยินเสียงอื่นเนี่ยเสียงคนร้องรำทำเพลงเสียงคนทะเลาะกันด่ากันว่ากันมันไม่เป็นมงคลเนี่ยแต่ถ้าเป็นเสียงธรรมแล้วเออมันเป็นไปเพื่อละเพื่อคลายเพื่อถ่ายถอนเนี่ยอุปท า, านมั่นหมายแล้วที่ยิ่งไปกว่า น, นั้นคือทำให้ได้ฉลาดในอุบายเนี่ยว่าการอธิบายธรรมหลังที่ เราได้ฟังจะเห็นความชัดเจนในเรื่องของโลกและเรื่องของธรรมนส่วนโลกมันก็เป็นเรื่องของโลกโลกนี่มันคือโลกกระทำแปดดังที่ท่านได้อธิบายไปยที่ไหนมันก็เกี่ยวข้องกับโลกกระทำแปดเนี่มันไม่ได้หลุดไปจากนี้น แล้วมันทำให้เราหลงโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนีน่อาจจะเป็นเพราะความที่มันเคยชิ น, นคือการสังส ม, มมายาวนา น, นอย่างถ้าเราถ้าเราระลึกได้เนะาะเกิดหลายพพหลายชาติมันก็คุกเขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้นหรือถ้าระลึกไม่ได้ก็พอจะสันนิษฐานได้ ไม่ต้องเอาชาติก่อนนะมันระลึกไม่ค่อยได้ไม่มียานพอจะ ล, ะลึกได้เอาปีก็แล้วกันปีที่ผ่านมาใครเกิดกี่ปีแล้วขนาดเกิดมานับอายุได้แท่แท้ยังระลึกไม่ได้หมดเลยใครนับได้บ้างว่าตั้งแต่วันเกิดมาทำอะไรบ้างมันไม่มีได้นะปัญญามันไม่ได้สว่างขนาดนั้นนละ แค่เมื่อวานนี้หรือเช้านี้มาถึงนี่มันยังระลึกไม่หมดเลยนี่นี่มันสติมันไม่ได้ขนาดนั้นนะนี่แค่นี้ก็พอมองให้เห็นว่าเนี่ยจิตใจนี่มันนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วทั้งมันวิ่งวนเวียนอยู่ในโลกกระทเนี่ทั้งๆที่ซ้ำๆ ซ, ซากๆเรายังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ อย่างไม่ไม่รู้เลยว่ามันก็คิดว่ามันใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเปลี่ยนหน้ากลับไปกลับมาใหม่หลงของเก่าว่าเป็นของใหม่มันก็หลงไปหลงมาอย่างนี้แหละเนี่ย่ยางทีนั่งด้วยผมก็คำคำเหมือนกันเน่ยเหมือนแฟชั่นก็นึกเนี่ยผมผมนึกไปมันก็หัวเราะก็เหมือนกันคนนี่ก็แปลกเลยมันมุนไปมุนมามนไม่ได้ไปไหนเลย นวนมาของเก่าก็บอกว่าของใหม่นคนมาใหม่ใหม่ก็เออนี่แฟชั่นใหม่ตนะาทบทวนหน่อมันก็วนอยู่ที่เก่านั่นแหละมันจะวนไปไหนเนี่ยเนี่ยมันมันเหมือนกับกิเลสวัดใช่ไหมหรือกิเลสวัฏวัฏทะนี่กิเลว น, นะน์นะกิเลวนก็เหมือนกันเ น, ะนี่มันวนไปวนมาหน้าเดิมนะน แต่คนก็ไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะอาวิชชาเ น, นี่ยทเยว่าเพราะอาวิชชาความไม่รู้นะเพราะไม่รู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์อะไรเป็นบาปเป็นบุญอะไรเป็นคุณเป็นโทษมันไม่รู้จักเพราะอาวิชชาเนะี่มันก็เลยต้องให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะเนะนี่ยทันเลยว่ากา ม, มาวัฏเนะี่ยคือวนอยู่ในกามวนะนไปวนมานะี่ย แล้วโล ก, กธรรมนี่มันก็ครอบงาสัตว์ทั้งหลายนให้หลงอยู่ในนั้ น, นแหละล้วมันก็เป็นอย่างนั้นโลกนี่มันหลงฝังแน่นติดแน่นจนกระทั่งว่าไปแตะไม่ได้เลยอ่ะแตะแล้วเป็นเรื่องเลยเนี่ยมันยึดขนาดนั้นน ะ, นะถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รู้เรื่องธรรมะจริงๆเนี่ยแตะไม่ได้หรอกเรื่องทิฏฐิเรื่องมานะนี่มันไม่รู้ด้วยเนี่ย มีอะไรมันก็ยึดว่าเป็นเราเป็นเขาแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยนี่มันไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสภาวะของความไม่เที่ยงความแปรปรวนนะได้มาเสียไปเสียไปได้มาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เหมือนกับสุขกับทุกข์นี่ไม่เห็นมันแตกต่างอะไรนี่สุขทุกข์สุขทุกข์อยางนี่แล้วสิ่งที่สุขทุกข์นี้แหละนี่แล้วมี คนกี่คนที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้รู้โดยท่องแท้เนี่ยสุขที่ตนต้องการนั้นมันคือสุขอะไรนี่หมายถึงสุขอะไรแต่ถ้าสุขที่เจือด้วยความอยากเจือด้วยกิเลสตัณหามันก็เป็นสุขที่เจือด้วยทุกเหมือนที่เราฟังมานี่สุขอันนี้เป็นสุขของโลกิยะวิสัยนี่วิสัยของโลกของปุถุชนเนย สุขนี้มันก็เท่ากับเป็นเหยื่อเป็นเครื่องล่อแล้วก็ให้ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วไม่เคยอิ่มใช่ไมสุขนี้ไม่เคยอิ่มเนี่ยแล้วยังไม่อิ่มก็ถูกฆ่าชีวิตไปเสียเนี่ยเกิดมาอีกก็มาวนอยู่ในที่เดิมอีกเนี่ยนี่เพราะความไม่รู้ว่าสุขที่แท้จริงมันคืออะไรเนี่ยโดยมากจะสุขนี่จะเอาตาม กิเลตามความต้องการตามที่ปรารถนาะนและทุกคนก็คิดอย่างนั้นหรือพูดง่ายๆก็เรียกว่าทุกคนก็จะอยากได้ตามใจตนเองทั้งหมดนี่คิดว่าการที่ได้ตามใจทั้งหมดเป็นความสุขนี่บางทีมันก็มันก็คิดว่ารู้นะแต่ว่ามันก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละเนเวลาเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นอีกมันก็ทุกนี่แต่ก็ปรารถนาเรื่อยไปต่อไป ตาตนนั้งกูประมาณว่าเหมือนคนเขาล่อเนี่ยเอาอาหารล่อสัตว์เนี่เอาอาหารที่มันชอบใจล่อนี่มันติดในรถอาหารนี่ยล่อ่าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจะจับสัตว์นี้ไม่ยากเลยถ้าสัตว์ตัวไหนมันโง่นี่มันติดในรถนี้ไม่นานหรอกจับได้ง่ายมากเลยโยนใกล้เข้ามาเรื่อยใกล้เข้ามาเรื่อยพอใกล้เข้ามาไอ้คอร์นก็ตีหัวตัวนั่นแหละไม่ยากเลยเนี่ นี่แน่ต่ียว่าหลงในในรถในกาวลิงกะลาหันมันก็เป็นเหยื่อของโลกนี่แต่สุกเหมือนกันนี่ว่าก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาว่าสุกที่เจือด้วยเหยื่อด้วยอามิดนี่ซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยกับสุกอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องเจือด้วยอามิรไม่ต้องมีใครมาล่อน แต่เป็นสุขสุขเพราะปัญญาเห็นความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายและเห็นความจริงของสุขของทุกข์ด้วยว่าสุขที่เราต้องการหรือทุกข์ที่เราไม่น่าปรารถนานี่มันเป็นสุขหรือทุกลักษณะไหนมันก็จะพิจารณามองเห็นโดยปัญญานี่ เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆของมันเนี่ยว่ามันอาศัยอะไรเนี่ยบางอย่างทุกข์แต่เพื่อละทุกข์มันก็มีได้ทุกข์ยอมทุกข์เพื่อละทุกข์ก็มีไม่ใช่จะค้นหาความสุขเพื่อละทุกข์มันไม่มีทางนี่ความสุขก็ไปตามกิเลสเท่านั้นเนี่ยบางทีเสียสละยอมทุกข์เพื่อดับทุกข์โดยถาวรเหมือน พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านยอมเสียสละเนี่ยไม่ได้ตามที่ปรารถนาหรอกเนี่ยถ้าเป็นภาษาชาวโลกทั่วไปก็เรียกว่ามันทุกข์เนี่ยแต่ท่านมองเห็นว่าถ้าเรายอมทุกข์ตรงนี้เนี่ยเนี่มันจะเป็นการแลกเอาความสุขที่ไม่ต้องเจือด้วยความทุกข์อีกเลยเนี่ยอาศัยทุกข์เพื่อละทุกข์เนี่ยเพื่อให้สุขเกิดขึ้นมาอย่างทาวรนเนี่ย อย่างนี้ก็มีอันนี้เรียกว่าไม่ได้เอาตามใจตามปรารถนาตามความต้องการของตนเองซึ่งจิตใจนี้ถ้ามันยังเจือด้วยกิเลสแล้วนี่มันโอ้ยมันเชื่อมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันว่าสุขถ้าไปเชื่อมันก็สุดท้ายก็ทุกข์เราหลอกเราเองแหละบางทไีไม่ต้องอาศัยคนอื่นเราหลอกเราเองน บางทีมองบางทีมองเห็นไกลๆโน้นสายตาเรามันไกลแล้วมันก็พลาดใช่ไหมโอ้ยสวยเนาะ ค, คิดเอาเองนะคิดว่าสวยนะดันด้นไปจนเหนื่อยไปถึงโอ้ยตายนึกว่าสวยทแท้ไม่ได้เขาถ่าเขาทางเลยนาะอย่างนั้นก็มีนะมันหลอกนะผมถึงว่าอย่างคุยกับกูบาโอว่าแม้ตามองไม่เห็นนะมันก็จะปรุงแต่งว่าสวยได้ เชื่อไหมคนไม่มีตาแต่หูได้ยินเนี่ยพวกนี้มันก็จินตนาการได้เหมือนกันเลยแล้วเราจะเชื่ออเลยเอาของไม่สวยไปให้มันรูปทนะําเนี่ยตั้งไม่เคยเห็นโอ้อั น, นี้สวยนะเนี่ยเขาก็ปรุงแต่งไปตามเรื่องเขานะปรุงแต่งไปตามชอบใจเนี่ยจากขี้เละขนาดไหนถ้ามันปรุงแต่งว่าสวยมันก็ <laughs> มันก็เอาได้เหมือนกัน นั่นคือตัวกิเลสเนี่ยตัวกิเลสมันไม่จำเป็นจะต้องตาเห็นอย่างเดียวนี่ความคิดจินตนาการมันก็หลอกได้นะไม่เห็นอะไรเลยคิดเอาเฉยเฉยอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยตาอาศัยหูเลยแต่อาศัยสัมผัสทางใจหรืออาศัยจิตตสังขารความปรุงแต่งมันก็ยังเป็นเลยเนี่ปรุงไปมากๆก็หลงไหลไปทนอยู่ไม่ได้นั่นคืออานาจของกิเลส ฉะนั้นถ้าอาวิชาไม่ถูกขจัดแล้วเนี่ยวิชาไม่เกิดขึ้นหรือปัญญาไม่เกิดขึ้นมันหลงอยู่อย่างนั้นแหละหลงหลงว่าสุขเป็นทุกข์ทุกข์เป็นสุขนี่หลงนี้มันก็วนเท่านั้นแหละถ้าหลงนี้วนไปวนมาเนี่ยจึงเรียกว่าโลกธรรมเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในโลกธรรมเนี่ยต้องการลาบ แต่ไม่ต้องการเสื่อมลาบต้องการยศแต่ไม่ต้องการเสื่อมยศต้องการสรรเิญเแต่ไม่ต้องการคำนินทานี่ต้องการสุขแต่ไม่ต้องการทาุกข์ั้งที่มันก็คู่กันตลอดเลยนะเนี่ยหนีไปก็ไม่พ้นนะี่ไม่ไดไปหลบอยู่ที่ไหนเนาะถ้าปรารถนาลาบมันก็ต้องมีเสื่อมลาบถ้าคนไม่มีลาบไม่ปรารถนาลาบมันก็ไม่มีเสื่อมลาบใช่ไหม ถ้าไม่มียศไม่ปรารถนายศไม่มียศมันไม่มีอะไรยศที่ไหนจะมาเสียนะ่ยมันก็ไม่มีนี่ไม่มียศที่จะเสียนี่นี่ถ้ารู้จักดินทากับสรรเสริญเนี่ยรู้ว่าในโลกนี้มันมีของคู่กันอย่างนี้เนี่ยถึงจะสรรเสริญมาก็ไม่หลงดีใจนี่นินทามาก็ไม่เสียใจเนี่ยพราะเรารู้เนี่ยนี่พราะรู้ความจริงที่ว่าเข้าสรรเสริญมันก็ไม่เป็นไปตามเข้อที่สรรเสริญเนาะ คือจริงก็มีไม่จริงก็มีดังที่เราฟังมาเมื่อกี้นี้นี่ยนินทาก็เหมือนกันนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะถูกทั้งหมดหรอกเขานินทาอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้เนี่ยนี่ถ้าเราตั้งสติไว้ดีมีปัญญาเนี่ยว่าได้ประโยชน์เนี่ยได้ประโยชน์จากคําสรรเสริญคํานินทาเนี่ยสรรเสริญก็มีสติรู้สรรเสริญจริงไหมจริงก็ไม่หลงด้วยเนี่ยแม้เขาสรรเสริญว่า โอ้โคนนั้นดียัง้งถ้าเราดีจริงเราก็ไม่หลงหลงในความดีอีกเนี่ยต้องระวังตัวอีกไงนี่ไม่ได้หลงเนี่ยถ้าก็ว่าไม่ดีหรือนินทาอย่างนี้เราก็รู้เนี่ยถ้ามันถูกตามคาว่าก็ก็ดีเหมือนกันเนี่ยก็แสดงว่าเนะี่ยมีคนคอยดูให้ <c oughs> มันก็ดีเนี่ยถ้าคิดได้ดีก็ไม่ได้เสียเนี่ยนี่ถ้าไปโกรธเขาแล้วเนี่ยโอ้โ ห, หเพิ่มความไม่ดีขึ้นมาอีกเนี่ย เพิ่มโดยไม่รู้ตัวนี่นี่อยแต่มันน้อยคนที่จะตั้งหลักได้นี่ส่วนมากมาปุ๊บไปปั๊บเลยพอสรรเสริญก็ลงดีใจนี่แต่บางที่แย่เต็มทีก็ยังลงดีใจแั้งๆงที่รู้อยู่นะก็ลอยพวกเขาเหมือนกันเนี่ยบอกอดินทาก็แต่บางที่ตนเองก็ไม่ได้เป็นไปตามแล้วก็อุตศาไปโกรธอกีกไม่พอใจอีกอย่างนี้บางทีมันก็ เรื่องเหล่านี้เลยมันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาศึกษาธรรมเพื่อให้รู้เนี่ยโอ้ยถ้ารู้เรื่องโลกธรรมมันก็สบายอยู่กับโลกเนี่ยสบายเลยเนี่ยรู้จักโลกสมมุกเนี่ยโลกอยู่กับโลกแต่โลกไม่ครอบงำท่านวะเนี่ยพอรู้จักโลกเนี่ยบนหลวงพ่อชาท่านพูดเห็นไหมตอน ในหลวงพระราชธานสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นเจ้าคุณใหม่ๆนี่บางคนเขาก็บอกว่าพระ ก, กรรมฐานได้ยศได้อันนี้แหละสงสัยจะคล้า <c oughs> ยๆว่าคิดว่าคงจะหลงลืมกรรมฐานนะวันนั้นท่านไปรับกลับมา เ, เทศกันใหญ่เลยญาติโยมมาต้อนรับตามตรมหนมของโลกนะ ไปคอยรับก็ไปเยอะเหมือนกันแหละไปรถไฟไปสถานีรถไฟไปโอ้ลูกศิษย์ลุงหาก็ไปเยอะเนี่ยพอกลับมาท่านกลัวลูกศิษย์จะหลงนีท่านก็เลยเทศเลยจําใจความได้ท่านว่าเอออันนี้ในหลวงท่านพระราชทานให้นี้ก็เพราะท่านเห็นว่าเราทําประโยชน์เราทําดีนะเนี่ย เราทำดีท่านจึงพระราชทานให้นี่ไม่จะท่านพระราชทานให้แล้วก็จะหลงลืมลืมตนจนจนไม่ทำหน้าที่นะนี่ท่านว่าเหมือนกับสะพานตอนใช้คำว่าสะพานมูลสะพานในแม่น้ำมูลเนี่เวลาน้ำขึ้นมันก็โ่งขึ้ น, นเวลาน้ำลงมันก็ยุบลงแอนตัวลง อย่างนั้นหรือท่นบอกนี่ผู้ที่เป็นบัณฑิตนี่ย่อมไม่หวั่นไหวต่อลาบต่อยศนะมันก็อยู่ที่เดิมข้างันนั่นแหละเอีสะพานเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวธรรมะตัวสัจธรรมด้วยความจริงเนยมันคงที่เนี่ยเขาจะสรรเสริญมาอย่างไรมันก็คงที่จะนินทาอย่างไรมันก็คงที่เนี่ยอให้ลาบมามันก็คงที่ให้ยศมาก็คงที่มันไม่ไขึ้นตามไม่ได้ลดตามเนะพอเข้าใจว่า ที่ท่านให้นะั้นเพราะสนับสนุนให้ทําดียิ่งให้ยิ่งขึ้นไปนี่สนับสนุนให้ทําประโยชน์ให้ให้มากขึ้นท่านก็ประมาณว่าเหมือนเขาเห็นเราทําประโยชน์ได้มากนี่ขับรถไปโน่นไปนี่เนี่ขาก็เลยให้น้ำมันเนี <c> ่ <oughs> เป็นสมณะคุณเติมน้ำมันให้แต่ไม่ได้ให้เติมน้ำมันได้ไปขับลงทุกข้างคูลงถนนนะถนนให้ขับไปตามถนน ให้ไปตามจุดหมายปลายทางเนะี่ยอันนี้พอได้น้ำมันนะคึกขนองนะครับลงข้างโซข้างทางไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่อาจาก็เทศให้ฟังเนะี่ยนี่บอกว่าตามาก็เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วไม่มีอะไรเนี่ยนี่อันนั้นเป็นเรื่องของโลกมล้ก็ต้องรู้จักโลกธรรมนะนี่นี่อาจารยก็คือผู้ที่ไม่ติดข้องอยู่ในโลกธรรมถึงมีก็ไม่หลงไม่ติดนะไม่ติดมันเนย มีลาบไม่หลงในลาบมียศไม่หลงในยศเนี่ยนี่เป็นผู้ที่คงที่มีธรรมะเนี่ยนี่เป็นหลักสำคัญเหมือนกันนดนการศึกษาก็ทำให้เราได้เกิดปัญญาอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยแ้ฉลาดในการดำรงชีวิตอยู่กับโลกนถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีแต่ทุกข์ะหาความสุขไม่ได้หรอกเนี่ยมันขัดข้องไปหม ด, นะดโลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะ ลาบลื่นเลยเนี่ยถ้าว่าไปแล้วโลกนี้มันเหมือนกับมีหนามคอยทิ่มคอยแทงคอยแหย่ตลอดเวลานี่ี่เหมือนเขาว่าจริงๆอยู่เฉยเขาก็ว่าอยู่ไม่เฉยเขาก็ว่าทำมะกเขาก็ว่าทำน้อยเขาก็ว่าเนี่ยไปอยู่ที่ไหน น, นั่นคือโลกไงเนี่ยโลกก็แย่ตลอดเวลาเห็นไหมพระเถระพระมหากรสปะก็ยังโดนพระพิกศุไม่รู้เรื่องภูติชนแย่เลยเห็นไหม พอพระเจ้าจะพาเสด็จออกไปวิเวกเนี่ยก็แสวแล้วใส่กับมาแสวเนาะโอ้ยจะไปได้ไหมเนาะอย่างพระอานนุ์อย่างพระมหากัสปะนี่มีลูกศิษย์ลูกหามากบริวารมากเลยไม่มีทางล้อไปไม่รอดหรอกนะไม่ใส่ญาติก็เหมือนญาติไม่ใส่ญาติก็เป็นอุปถากคนเออคงจะไปไม่ได้อะไรนั้นเห็นไหมมันมีเหมือนกันนะ มันก็เลยไม่แปลกหรอกสมัยมุเจ้าก็มีนี่เพราะมันไม่รู้กันไงไม่รู้กันเห็นไหมเลยพระราหันตัวเล็กๆเนี่ยก็ยังไปล้อเล่นเลยไปรูปหัวเล่นไปรูบ <c oughs> หัวเล่นไปแย่เล่นอะไรเล่นเลยแล้วไปล้อเล่นอเออเรีนไม่อยากศึกหรอไม่กรสันเลยหรอบาปกรรมหรือกัน <c oughs> นี่แหละโบราณที่ว่าอย่าล้อเล่นเป็นบาปกรรม เป็นคนที่ผิดจากตัวเราไป็ล้อเล่นเป็นบาปกรรมโดยที่เราไม่รู้เลยเนะี่ยบางทีเป็นพระอริยะเป็นพระหัน์ขึ้นมาเนะี <c> ่ย <oughs> โบราณเขาไม่ให้ล้อเลียนก็พออย่างนี้แหละเห็นอะไรไหมห้ามล้อเลียนเห็นคนบ้าใบ บ, บอดหนวกสลาไวนะ้เนี่ยเราอย่าไปล้อเล่นเป็นบาปกรรมอะนก็ <c oughs> มีจำนวนยเยอะต้องระวังให้สงบหนึ่งมันไม่แน่เลย บ้ามันดีกว่าคนดีก็มีนีเห็นไหมเราดูสารคดีคนบ้าแต่ใจบุญเนี่ยคนบ้าแต่ใจดีได้ไรก็แต่คนบ้าดีแต่ดีกว่าคนดีที่ทําตนเป็นบ้าบ้าก็ว่าทำตนบ้าบ้ามันมีเยอะแยะก็ว่าคนบ้าดีมันทําดีบริสุทธิ์ใจเลยแต่คนว่าตนเป็นคนดีแต่ทําบ้าเนี่ยโอ้ยมัน คนละเม็ดบันเยอะเหลือเกินเนี่ยไม่รู้ว่าใครดีใครบากันแน่เนี่ยนี่ถึงอยากไปดูถูกเนี่ยอย่าดูถูกเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้เนี่ยแม้แต่สติปัญญาของคนไม่เท่ากันไปดูดูถูกกันไม่ได้หรอกนี่ผมนี่ไม่กล้าดูถูกหรอกไม่กล้าดูถูกใครเนี่ยบางทีเขาดูเหมือนโง่โง่เซ่อเซอเซนี่นมันไม่แน่นอนเนะี่ คนเรานี่คนเราไม่เก่งทุกอย่างนี่บางทีก็อาจจะมีดีๆของเขาอะไรสักอย่างนี่ที่เราเนี่ยไม่รู้นะบางทีจะเก่งกว่าเราด้วยกว็ได้ <c oughs> ผมเคยสังเกตบางคนเหมือนไม่รู้เรื่องนะเข้ามาเพราะเขาวางตัวแบบแบบเหมือนคนโง่ไปเลยนะคนฉลาดที่แท้จริงคือรู้จักทาตนให้โง่เลย <c oughs> เราก็เลยไม่รู้เรื่องนะ มันหลวงพ่อคูณท่านท่านเล่าใช่ไหเนี่ยโง่ท่านก็ยอมรับว่าท่านโง่ตลอดเนี่ยท่านจะพูดถ่อมตนตลอดสมัยก่อนนะแต่ไว้ก่อนท่านไม่เคยเทศเลยโอ้ยผมมันโง่โง่ถึงไหมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกพอกูบาอาจารยโอ้ยกับผมมันโง่ครับท่านจะอย่างนี้เองเแต่ไม่ธรรมดาเลด้วยคําที่จับใจดีโอเค ไปกราบหลวงพอ่อว่าสมัยยังไม่ได้ไปสร้างวัดสร้างเนะีะหลวงพอ่อท่านก็ปฏิสันพานลูกศิษย์ตามธรรมดานะเออเป็นยังไงภาวนาเจริญก้าวหน้าไหมดีไหมจิตใจเป็นอย่างไรเนี่ยท่านก็บอกโอ้ยผมมันโง่ครับหลวงพอ่อภาวนามันก็ไม่ฉลาดไม่ปัญญามันไม่เกิดมันโง่ะนะเนี่ยอโง่เลยครับผมมันโง่ อโง่ก็ดีละรักษาความโง่ให้มันได้นะพระอาจารย์ว่า ร, รู้ว่างโง่รักษาความโง่ให้มันได้ก็แล้วกันท่านบอกว่าโอ้โหสือึกเลยท่านบอกไม่นึกว่าจะตรวนสวนมาอย่างนี้รู้ว่างโง่รักษางโง่ให้มันได้ไหมท่าเท่านี้ก็เข้าใจใช่ไหมนั่นไม่ใช่คนโง่เลยมีเกนฉลาดนี่พอบอกปุ๊บมันสะดุ้งเลยท่านบอกโอ้โหตายคําเดียวท่านคิดได้ทุกอย่างเลย ก็ oh, จริงเนาะท่านบอกให้รักษาความโง่เนี่ยนี่นี่คือถ้าไม่รักษาความโง่มันก็กลายเป็นอวดอวดฉลาดที่ตั้งใจต้ตนโง่ตัวเนี่ยถ้ารักษาความโง่ก็จะกลายเป็นคนที่รู้จักฉลาดเนี่ยนี่คนฉลาดไม่รักษาความฉลาดก็จะกลายเป็นความโง่นี่ยนี่คนโง่อยิงไปอวดฉลาดก็ยิงแย่ก็ไปอีกนี่ท่านก็โอ้โหได้คิดเยอะมากเลยตเนาะเท่านั้นก็ทําให้เกิดปัญญาเย็นไหม นี่บัณฑิตถึงถ่อมตนไงเราดูไม่ไม่ได้เราไปดูถูกกันไม่ได้หรอกยิ่งบางทีเห็นคนมาจากบ้านนอกห้างน่าเนี่ยเขาต้องวางตัวเป็นคนโง่ก่อนเพราะเขาต้องเปิดรับอก็ต้องเปิดเพื่อความฉลาดเนี่ยยเนี่ถ้าไปโอ๊ยอแอบคุยโม้คุยได้มันจะได้อะไรเนี่ยก็เลยทําเป็นโง่ไปเลยเนี่ยนี่ความโง่มันก็เลยได้รับอะไรหลายอย่างเนี่ยเนี่ย โดนว่าทั้งด้านภายนอกและด้านภายในเลยเพราะทางด้านจิตใจนี่ทำให้เกิดความฉลาดเยอะนี่ลองทำเป็นคนโง่เลยทีนี่ผมเคยโดนมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กนี่ทำเป็นโง่เป็นคนโง่แบบไม่สู้ใครไม่ต่อว่าใครเฉยอะไรก็เฉยเนี่เหมือนไม่รู้เรื่องเี่โอ้ยโดนด่าโดนว่าโดนสารพัดทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งอะไร <c oughs> ดีเหมือนกันนะบางครั้งก็โกรธเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่แสดงออกก็ต้องรักษารักษาความโง่ไปอยู่ก็ด่ามาก็เโกรธอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากจะแสดงออกเนี่ยด่าจนไม่รู้เขาจะด่าอะไรนะด่าร้ายๆก็ด่าแล้วมันก็เฉยนะก็เลยเอาดีๆมาด่าบ้างหลวงพ่อชาเกลอาวบักนาเจ้าเพิ่นหัวฉัน ดา่าชั่วๆดา่าแรงๆมันไม่กดบอกนาเจ้าพ้นเราไปดูในวินัยเนี่ยโอ้มาสวัสดสิกขาบทนันี่ท่านอธิบายถึงเรื่องความดา่าในการดา่าด่าด้วยคำหยาบด่าด้วยชาติตระกูลเนี่ยด่าด้วยคำหยาบแบบแบบไม่ดีทั้งนั้นนะแต่ด่าแบบผู้ดีก็มีนี่นี่เรียกว่าด่าแบบผู้ดีมันใช้กับคนบางคนนะ บางคนใช้คำหยาบหยาบมันด่านไงมันเฉยมันไม่ฐานด่านก็จะเหมือนผู้แทนในสภาแล้วมึงด่าไปเต๊กมันด่านไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนั่นนึงไม่ใช่ปัญญาละได้นี่พวกนั้นถ้าถ้าด่าแบบหยาบหยาบไม่โกรธเขาก็เลยมีคําด่าพิเศษด่าแบบผู้ดีเขาว่าใช้คํำเพราะๆมาด่านนี่เหมือนใครแล้วก็ว่าเหมือนอดีตนายกชวนนะ แกจะพูดเย็นๆไปเวลาเวลาเสือน้ยฉือนด้วยมีดโกนอาบน้ำพึ่งก็อย่างนั้นทำนองนั่นแหละเนี่ยถ้าด่าบแบบผู้ดีมันโกรธมากเลยเอาคำคากระสับหรือเอาพราหม์เอาแบบผู้ดีผู้ดีมามาสร้างคำศัพท์เป็นคำด่าเนี่ยโอมันเจ็บมากเลยไอกริยัไอพราหม์ไออะไรในทำนองนี้ นี่มันจะโกรธมากเนะี่ยผมก็โดนเหมือนกันนะอายุก็ประมาณสัก1 4บ5หปีเขาก็ยังล้อยังยังอันนั้นอยู่นะพอไม่ได้สู้กับใครเนะี่ยพอเขาด่าคำหยาบหยาบเราก็เฉยเขาก็เลยด่าคำแปลกๆดีเหมือนกันนี่มีวันหนึ่งเดินผ่านมังเอ้ยไอแผ่นดินเย็นก็อบอกดิน้นน ออไม่เคยได้ยินการแผ่นดินเย็นไปตัอะไรนาะเราก็เอามาคิดตีมันก็ยังไม่รู้ธรรมะอะไรเท่าไร่หรอกนะพอมา ศ, ศึกษาธรรมะดีจริงๆนะแสดงว่าเขาก็ด่าดีเหมือนกันนะด่าดีเหมือนกันแผ่นดินไม่เหลือนเดือดร้อนอกับใครนะอะไรนี่ใครจะเทคลองเสียเสียหายหดีชั่วอย่างได้คลองสะอาดของสะกะปรกลงไปก็เฉยมันเย็นจริงๆเนะี่ย โอ้ดีเหมือนกันนะก็เลยมาแ้วท่านบอกว่าให้ทําใจเหมือนแผ่นดินเนี่ยแต่เราก็ทําแบบไม่รู้เรื่องนะเนี่ยด้วยความอดทนเราไม่ใช่ไหมความไม่พอใจมันมีอยู่แต่อดทนอดทนเราเนะี่ยความอดทนมันก็เลยให้เราได้ได้ความรู้หลายๆอย่างเนะี่ยได้เห็นคนลหลายประเภทเนะี่ยได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างได้เตือนตนได้นะเออได้ข้อคิดนะ ความอดทนก็เลยต่อไปต่อไปเขาเห็นความหนักแน่นของเราเนีเขาจะกลัวเรามากดิพอโตมาปุ๊บนียพอเข้ายี่สิปีนี่โอ้โหรู้สึกใครก็กลัว <c oughs> จะว่าคำอะไรอะไรนีรู้สึกระวังมากเลยเนี่ยจะใช้คำใช้พูดอะไรนี้โอ้ยมั น, นดีอ่อนน้อมให้เกียรติเลย น, ะนี่มันถ้าทนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลับตลัปัดเลยนะ จะกลายเป็นยกย่องเป็นเกรงใจเลยเนะี่ยให้เกียรติให้อะไรเนะี่ยนั่นก็คืออานิสงส์อานิสงส์ของความอดทนเนะี่ยพอมาศึกษาธรรมะโอ้มันดีนะบัณฑิตยอมอดทนือนเราฟังฟังมานะี่บัณฑิตเพลงพินิจตนบัณฑิตยอมอดท น, น, ดดนผู้บำเพ็ญ ต้องเป็นผู้อดทนเลยทํานองเนี้ยเนี่ยมันมีคุณในหลายอย่างนะความอดทนเนี่ยถึงว่าเออก็ดีเหมือนกันทําเป็นง้อๆเราจะได้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเดิประดังมาให้เราได้ศึกษาจากธรรมชาติเลยแหละไม่ต้องมีคัมภีร์เลยนีออ่ความอดทนก็เลยดีมีอาณิสงฆ์เนี่ยไปเปิดภาสิทดูความอดทนเยอะนะบอดอดทนไปดูเลเออมีอาณิสงฆ์เลยนะีออ่นี่ พุทธภาสิตเนะี่ยดูเยอะๆก็ดีเนะี่ยบวชคันติหมดความอดทนเนี่ยมีอานิสงส์อะไรบ้างเนี่ยถ้าไม่เห็นคุณค่าของธรรมะคำสอนของพระเจ้านี่กับสี่ถุมแล้ว